เอยากจะเรียกถามว่าเ อ, อที่ส่วนใหญ่ก็มันก็ยังมีตัวเราตัวเราอยู่นะครับคือนนว่าจะมีอุบายหรือว่ามีอะไรที่ทําให้ตัวเรามันห า, หายไปหรือน้อยลงเช่นอย่างนี้ได้ไหมฮะเกิดอะไรขึ้นมาในใจเราก็เอพิจารณาว่าเป็นขันห้าขันห้าอย่างเงี้ยเรารู้ว่าสังขารสังขารเราได้เตือนตัวเองทุกครั้งว่าสมมติจะมีอความกังวล <ing> ความไม่สบายกายไม่สบายใจอะไรเงี้ยหรือว่าความคิดความอะไรก็เราแทนที่เราบอกว่าเออเรากังวลนะอะไรเงี้ยล้วก็ขันห้ากังวลออะไรเงี้ยจะได้มีเตือนเตือนตัวเองตลอดไปจะได้ค่อยๆหลุดจากความว่าตัวเราดีไปครับถูกต้องแล้วนะเนี่ยแม้แต่ความรู้สึกเป็นตัวเรานะแม้แต่ความรู้สึกตัวเราก็ต้องมีสติปัญญากํากับไปก่อนขั้นขั้นที่ยังปล่อยวางไม่หมดก็ต้องมีสติปัญญากำกับแม้แต่ความรู้สึกเป็นตัวเราก็เป็นสังขาร เมื่อรู้สึกก็เป็นสังขารในขันหน้าเพราะว่าขันหน้าเท่านั้นน่ะจึงปรุงแต่งได้ถ้าจิตดั้งเดิมแท่แหรือใจตั้งเดิมแต่แทหรือวิญญาณดั้งเดิมแท่แทนี่มาเกิเดปรุงแต่งไม่ได้ครับอันนี้ปรุงแต่งไม่ได้แล้วตัวที่ปรุงแต่งได้ก็เป็นขันหน้าตัวปรุงแต่งแม้แต่ความรู้สึกก็เป็นตัวเราที่รู้สึกได้ก็แสดงว่ามันปรุงแต่งให้วางความรู้พอรวบความรู้สึกเนี่ยที่เป็นตัวเราเปความปรุงแต่งมันก็จะปล่อยวางได้ก็ใช้วิธีการเตือนนะคิดในใจว่าสังขารหรือ อ่าเมื่อต้องต้องเห็นอาการตัก่อนนะเราค่อยเหอาการเพราะว่าเตือนนะเอออย่างนั้ใช่ใช้สติปัญญาเตือนบอกบอกเตือนครับเมื่อพบสังขานเมื่อพบสังขานเกิดขึ้นเมื่อมีสังขารเกิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาแม้แต่ปุงแต่งเป็นความรู้สึกว่าเป็นตัวเราหรือเอาตัวเราไปดิ้นรนไปวิเคราะห์ไปวิจารณ์วิจัยไปคิดไปนึกไปตึกไปตองพยายามหาความเข้าใจทุกขนาดจิตที่มีตัวเราเข้าไปเป็นผู้แสดงแอคชั่นเป็นสู้การกระทําแสดงพฤติแห่งจิตก็เตือนทันทีเลยมีสติปัญญาประกำกับเตือนทันทีว่าเนี่ย เป็นขันธ์าหรือสังขารใเป็นสงนังข<ช>าร <คำ S 2> เขาได้คำหนึงก็ได้นะ อ, อได้ยังไงก็ได้มันเป็นสังขารนะนะแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเร า, ไ ม, เราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ไม่ใช่ว่าเตือนเพื่อไปดับเขานะให<า>้ไม่ให้ยึให้ไม่ให้ยึดถือว่าให้เตือนสติเหมือนว่าเพิ่มสติขึ้นมาอีกนิดนึงว่าเออนี่นะเห็นละเห็นตัวปรุงแต่งมาละจะได้เตือนว่าไม่ใช่เราอะไรเงี้ยถูกต้องแล้วเพราะมันจะติดเราเนี่มันแก้ยากมากมันต้องต้องอาศัยตัวช่วยถูกต้องแล้วลวงตาก็เดินทางมาอย่างนี้นะครับเดินทางแบบนี้เหมือนกัน และที่สุดแหละความไปหลงยึดว่าเป็นตัวเรามันจะน้อยลงคือแม้แต่มีความรู้สึกเป็นตัวเราเราก็เห็นว่ามันเป็นสังขารเราจะปยึดเป็นความเป็นตัวเรามันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆครับถราพยายามมองให้มุมให้ให้มองเห็นเป็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาอย่างนี้เสมอไปทุกครั้งที่เห็นอะไรก็จะให้มองสามอย่างนี้เป็นหลักนี้ดีไหมให้สอนให้น้อมให้มีปัญญาตลอดนะคร อย่างนั้นแหะถูกต้องแล้วนี่คือทางแล้นี่ถูกต้องแล้วแต่ต้องเพียรอย่าทิ้งสติปัญญาครับก็คือ ใ, ให้ให้อยู่อย่าทิ้งรู้เนี่ยอย่าทิ้งรู้เนี่ยอยู่กับความรู้สึกตัวนะว ม, ม, มีสังขารเกิดขึ้นแล้วมีสติปัญญากํากับมีสังขารเกิดขึ้ น, นมีสติปัญญากำกับเรารู้ได้ไงว่ามีสังขารเกิดขึ้นเพราะไม่ทิ้งรู้นี่ไงไม่ทิ้งรู้จึงรู้มีสังขารเกิดขึ้นแต่ต้องอาศัยสติปัญญาในการหน้ามันช่วยกำกับเริ่มต้นคือไม่ทิ้งรู้หรือว่ามีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดนะไมก็าร น้อมไปใช้พิจารณาช่วยแต่ใช่ถูกต้องะงองว่าสังขารหรือว่าขันห้าขันห้าแล้วก็พอเห็นแล้วก็น้อมไปสู่แต่รักให้ได้นะฮะถูกต้องแนละ้วครับแม้แต่ที่รู้สึกว่าเรารู้สึกตัวก็ไม่ใช่ตัวเรานะเอให้เห็นว่านี่ก็เป็นตัวสังขารแม้แต่ความรู้สึกตัวที่ท่านพูดเนี่ยเรารู้สึกตัวอย่าไปยึดเอาความรู้สึกตัวเป็นตัวเราแต่ก็ต้องรู้สึกตัวอยู่ แต่เมยึดเอาความรู้สึกตัวเป็นตัวเราว่าความรู้สึกตัวนั้นเป็นสติสัมปชัญญะในขันธ์หน้าสติก็เป็นสังขารเหมือนกันใช่สัมปชัญญะก็เป็นสังขารในขันธ์หน้าสมาธิปัญญาก็เป็นสังขารในขันธ์หไม่มีอะไรที่ไม่ใช่สังขารเลยก็ต้องเป็นทั้งหมดเพราะว่าไอ้จริงที่เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแต่สังขารทั้งหมดยือเว้นจิตเดิมแท้ที่เป็นที่ไม่ปรุงแต่งกันเดียวถูกต้องแต่ก็ไม่มีใครมายึดจิตเดิมแท้ด้วยเพราะว่าผู้ที่จะมายึดจิตเดิมแท้ได้ต้องเอาสัง แต่สิ้นตั้งขาดแล้วจะไม่มีใครมาจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ก็คงเีแตความสิ้นยึดเท่นั้นเองครับมันก็ขอบคุณครับจะได้มีการบ้านไปทําอ่ะถูกต้องแล้วอย่าอย่าทิ้งรู้นะและอย่าทิ้งสติปัญญาแต่ดีมากนะนี่สามวันที่แล้วกับวันนี้เห็นการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงนะไม่เหมือนไม่เหมือนคราวที่สามมาคราวที่สามวันที่แล้วกับวันเนี้ยมีการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนแสดงว่า คูฝึกดีหรือใครดีเนี่ยโค้ดโค้ดดีโค้ดดีหรือเปล่าเนี่ยโค้ดโค้ดดีเปล่าสาธุมีความพว่าอ่ะเราเวลาเนี่ยมีเวลาไหนปนนักอานมีเวลาไหนไป็นนักอ่านอ๋อนักเขียนแลนัานไปอืมนะเดียเดียเดี๋ยวไม่ เอาหมายได้หนะเออเราก็อยากจะรู้ความเปลี่ยนแปลงนี้มันตอนแรกว่ามันมาสามวันที่แล้วเนี่ยรังสีออกมาคล้มมาลนนํามากเลยตอนนี้เออดีมากเลยตอนเนี้ยคือก่อนก่อนหน้านี้ก็ยังเข้าใจว่าอายตนะภายนอกเนี่ยคือหูตาจมูกลิ้นกายแต่ใจเนี่ยคือพอกระทบอะไรปุ๊บเนี่ยใจมันรับรู้มันคิดโน่นคิดนี่อะไรแบบมันเป็นอายตนะภายในแต่อาจจะหลวงตาหลวงตาบอกยังเป็นอายตนะภายนอกอยู่ นะครับก็เลยมองอ๋ ان, องั้นเออเราก็ต้องไปเห็นเออเหมือนว่าไปอยู่กับอญญาจานยภายในให้ได้ทีก็คื อ, อผู้รู้นะฮะคือคืออันนี้ก็เลยทำให้เออเริ่มมองเห็นไอแต่ยอ่านไปยังไม่จบนะก็ก็เริ่มรู้สึกว่าตอนนี้ก็เริ่มมีแผนที่แล้วว่าต้องรู้สึกตัว พยายามรู้สึกถ้าหลงก็ไปพยายามดิ้นขึ้นมาไ ม, ดา ไ, มได้ก็รู้สึกตัวก่อนแล้วก็พอเหตุอะไรมาก็ต้องอมองมองเป็นอาการมองเป็นอะไรไปธรรมารมอะไรแค่เดี๋ยวที่ที่แต่แต่เมื่อกี้ก็เลยอยังลังเล ว, ว่าเอ๊ะถ้าเ อ, อถ้าเราจะเพิ่มคําพูดหรือในใจว่าเตือนตัวเองเรื่อยๆว่าเป็นสังขารนหรือเป็นขันห้านะอย่างนี้จะดีไหมถ้าหลวงตาบอกดีก็จะได้ เหมือนกับทบทวนอาการเพราะเขจะได้สอนสอนใจตัวเองนะว่าทุกเนี่ยมันเป็นปรุงแต่งนะมันเป็นอมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งให้มันมันก็มันมีแล้วก็มันก็ดับไปนะมันเหมือนกับป็นไม่เที่ยงมันหน้าตามันมันไม่ใช่ตัวตนของเรามันมาคับไม่ได้มันเหตุมีเหตุแล้วเกิดพอเหตุหมดก็ดับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเป็นมันเป็นทุกข์อะไรเงี้ยก็ใช้มองมุมต่างๆให้มันเพื่อให้มันเห็นความจริงให้ได้นะ เพื่อมันพอเห็นความจริงมันจะได้ปล่อยได้นะับปล่อยก็คือยึดเออไม่ยึดนะฮะปล่อยก็คือไม่ยึดถือคือทีหลักของลูกตาคือคือเมื่อไม่ยึดเมื่อไหร่ก็หรือก็คือจบอถ้าตอนนี้ยังยึดอยู่เพราะเรายังคิดว่าเราเป็นเราอยู่ถ้าเราเราอ่านใจตัวเองแล้วเราไม่ใช่เราแล้วก็จะได้ไม่ยึดก็จะจบจบสัทีนะสาธุสาธุ กลับไปอ่านได้จบแต่ก็เนี่ยเข้าใจแล้วล่ะก็อย่างนี้ทั้งเล่มก็มีแค่นี้เนี่ยเท่าที่เด่นพูดเนี่ยนะแล้วส่งของมดที่ก็เอาการบ้านมาส่งในอ่านเนี่อ่านแล้วเนาะเออเข้าใจหลายแล้วใช่ได้แล้วชัดเจนชัดเจนแต่เหแต่กันบ้านนะอกันบ้านอย่าอย่าสติยาขาดเพราะว่าถ้าเราทําอย่างที่ที่เด่นพูดโดยเฉพาะคือความรู้สึกตัวก็ไม่ทิงคือสติสัมปชัญญญาเป็น ข, นขันธหน้าก็จริงแต่เราอยู่มันใช้เป็นพุทธเจ้าให้ เอามาใช่เป็นเรือข้ามฟากไปพระนิพาลเราทิ้งไม่ได้นะเนี่ยแต่เราเราไม่กลับไปยึดเรือมันเป็นสติ ส, สติสมาธิปัญญาที่มาค่อยกํากับค่อยพูดคอยบอกแล้วก็ความรู้สึกตัวเนี่ยอันตัวเนี้ยมันเป็นขันธ์หน้าทั้งหมดความรู้สึกตัวเป็นสัพพัญญาไอ้ตัวสติสมาธิปัญญาที่เราไม่ขาดสติไว้เนี่ยแล้วก็รู้ลาปล่อยวางไม่เข้าไปยึดบ้านถึงบ้านเนี่ยอัตัวเนี้ยมันเป็นขันธ์หน้ากันจริงมันเป็นอาการจริงแต่ขาดไม่ได้นะ ความรู้ความทั้งทั้งรู้ทั้งเห็นตั้งไปวางทั้งปฏิปัญญากำกับที่เด่นบอกว่านี่ก็สังขาร น, นี่ก็สังขารทุกอาการที่เกิดขึ้นเห็นมันรู้มาแล้วก็สังขารเอาตาอาติปัญญาไปช่วยกํากับมันพอกำกับไปบ่อยๆต่อไปมันไม่ต้องกํากับมันรู้สึกจากใจว่าอะไรเกิดขึ้นก็เป็นสังขารเลยอันนี้คือทางเดินใช้ได้ถูกต้องจะเห็นนิจอยางทุกขังอนัตตาด้ใจแล้วไม่ต้องกํากับไม่ไม่ต้องกํากับไปต้องอาศัยเป็นเรือข้ามฝากนะพอมันรู้สึกจากใจค่อยๆรู้สึกจากใจไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ต้้อออออองคคค่่่ยยยบบบกกกกําัได มาฝึกฝนนะจะทิ้งผู้จะทิ้งรู้แลย้ยจะทิ้งสติปัญญาพระอาจานยา์นทั้งหลายพระเดยเจ้าทั้งหลายอยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้ไม่ทิ้งรู้อยู่กับรู้ไม่ทิ้งรู้เลยไม่ทิ้งรู้แต่ไม่ยึดรู้เรียกว่าพบผู้รู้ฆ่าผู้รู้ป่อยวางผู้รู้คือไม่ยึดรู้ว่าเป็นรู้เนี่ยเป็นเรารู้หรือผู้รู้เป็นตัวเราเข้าใจนะอันนี้ไปอ่านไปจบ